หลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพุทธศักราช2437ถึง2537 ของเราเป็นสมมุติเมื่อเห็นตามความเป็นจริงรูปประทานของเราเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้น ยกตัวอย่างท่าสี่มันมีอยู่ที่เราท่าสี่ขันห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไม่ได้ศูนย์ไปไหนทุกสมุทไทยนิโรธมักมีอยู่ที่เราดินน้ำอากาศภายในภายนอกก็มีอยู่ตามเดิม ตามบุคคลเสมอกันรู้แจ้งอย่างนี้เรียกว่าวิปัสนาญาณตัวกิเลสดับไม่มีชื่อหรอก ยอดดับไม่มีชื่อจะต้องมาฟื้นภาษากันใหม่ภายในมันดับหมดนี่ดับหมดไม่ให้เหลือก็ตานี้มันสัมผัสกับรูป มันไม่เหมือนเก่าแล้วมันหยุดการภายนอกหกภายในหกมันไม่รวมกันจิตใจ ไม่ซึมกับความเย็นความร้อนความหนาวของหนังของตับของไตของไส้พุง แต่ทราบเปล่าๆ เ, เท่านั้นเองกิเลสหมดแล้วมันไม่มีเจ้าของเจ้าของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มี ของผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่มีพอมันหมดนะหมดเจ้าของไม่มีเจ้าของวินัยปิดกสุดตาตะปิดก อภิธรรมปิดกมันเป็นปริยัตนอกปริยัตในมันดับหมดสัตว์ไม่มีการมาพบ ไม่มีรูปประพบไม่มีอารูปประพบไม่มีกามสัตร์รูปประัตรอารูปประัตรไม่มี แต่นิโรธธรรมนิพพานธรรมอย่างเดียวมันไม่มีสัตว์มีคนไม่มีลำเอียงรักใครใคร อวิชชาหนสใสไม่มีมาณนะสังโยตอุทัศจะสังโยตอวิชชาสังโยชตก็ไม่มี มันก็เข้าเส้นมัชิมาได้ไม่ติดรูปชานไม่ติดอรูปชานไม่ติดน้ำติดรูป แล้วมันจะไปติดรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิภพธรรมรุมยังไงติดภายนอกหกภายในหกได้ยังไงติดไม่ได้แล้ว ชาดับแล้วไม่มียานวิชามีแล้วไม่หายกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเป็นคุณธรรมเมื่อทำได้แล้วการเสื่อมไม่มี ศีลสมาธิปัญญาใส่ใจแล้วใจที่เกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีในที่นั้นความตายไม่มีมีแต่ดินน้ำ ลมไฟเกิดดับภายในมันเกิดดับของมันเองไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ไม่มีโศมองเราก็ไม่มีมองเขา ก็ไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีนิโรธโนิพานังราคะหมดอวิชาดับ หมดแต่ก่อนเราไม่รู้จึงถือเอารูปมาเป็นตนเอาตนไปเป็นรูป ว่าเราดีเราชั่วเราทำได้ว่าเราเป็นผู้วิเศษว่าเราเป็นผู้พ้นสกายาทิฐิก็ยังมีอยู่นั่นเองสมาธิอบรม แรกๆ ก, ก็ไม่ค่อยชัดนักไม่ค่อยแหลมคมนักมักไม่ทานสังขารและผัสสะจะค่อยๆดีขึ้นคมขึ้นจนกระทั่งเป็นปัญญา ที่รู้ทันภาษะและประหารกิเลสลงได้ที่จิตนั่นเองไม่ต้องเลือกว่าสูตรไหนบทไหนทำให้จิตไม่เศร้าหมอง ใช้ได้ทั้งนั้นได้กระทำมาแล้วอย่างนี้ได้เห็นว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีจริงๆมีอยู่ทุกเมื่อที่ใจของเรา